41จิตใจเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นโลกอย่างนั้นวงเล็บเปิด14มกราคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดนักปฏิบัติกลัวโง่กลัวไม่ได้มรรคผลนิพพานกลัวไม่บรรลุกลัวช้าอยากได้เร็วๆทําไมต้องกลัวอย่างนั้นต้องอยากอย่างนั้นเพราะว่ามันรักตัวเองเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมัวกลัวมัวอยากอะไรมันรักตัวเองมากมาเรียนรู้ตัวเองจนมันเลิกรักเถอ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 หน้าที่เรารู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้แจ้งเมื่อไหร่ก็จะปล่อยวางปล่อยวางและพ้นทุกข์ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เบื้องต้นจะเห็นก่อนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันปลอดภัยแล้วไม่ตกต่ําแต่ไม่ใช่ไม่ทุกขนะพระโสดาบันมีความทุกข์เยอะแยะไปไม่ใช่ไม่ทุกแต่ว่าใจมันมีหลักมันไม่ถึงกับล่มจมถล่มทลายไปรู้ทันตัวเองดีแล้ว มันมีความอยากผลักดันอยู่เรื่อยๆพอมีความอยากผลักดันใจก็ดิ away, ้นรนใจก็ปรุงไม่เลิกพอใจปรุงไม่เ uh ลิกนะมันก evet. ็กั <pepper> ้นระไว้จากมรรคผลนิพพานถ้าเรารู้ทันใจรู้กายรู้ใจไปไม่มีความอยากอะไรแทรกนะใจไม่ปรุงแต่งต่อเรารู้สภาวะไปเห็นสภาวะมันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งสภาวะจิตหยุดการทางานหยุดความปรุงแต่งพอจิตหยุดความปรุงแต่งจิตก็ไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่ง เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมรรคผลนิพพานจริงๆพร้อมจะเกิดให้เราเห็นอยู่นะเพราะว่าตัวนิพพานมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นต้องรอเราภาวนาแล้วนิพพานถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่นิพพานมีอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตของเรานี่เองที่มันดิ้นรนปรุงแต่งมีตัณหามีความอยากก็ดิ้นรนปรุงดีปรุงร้ายปรุงโน่นปรุงนี่ไปเรื่อยจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละ มันไม่สามารถจะเห็นนิพพานซึ่งเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ทานความปรุงแต่งในจิตใจของเราจนจิตใจเว้นขาดจากความปรุงแต่งได้จริงๆแล้วจะเห็นนิพพานเพราะนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานคือความสิ้นอยากใจของเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นธรรมะได้ระดับนั้นนะบางวันใจิตใจเราหอเหี่ยวโลกนี้หอเหี่ยวทั้งโลกเลยนะวันไหนจิตใจเราสดชื่นโลกทั้งโลกสดชื่นจิตใจเราเป็นอย่างไร เราก็เห็นโลกอย่างนั้นจิตใจเราชั่วมากมีแต่ความเร่าร้อนเราก็เห็นโลกของนรกจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็เห็นโลกที่สงบสันติรุ่งเรืองเห็นเหมือนเห็นเทวดาจิตใจระดับใดก็สร้างโลกระดับนั้นถ้าเมื่อใดจิตใจไม่ปรุงแต่งมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายหานะยิ่งพยายามหายิ่งไม่เจอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งหายิ่งไม่เจอ